มีอยู่คือความไม่รู้ตามจริงว่ากายใจเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิพพานมีอยู่ทางที่จะเข้าถึงนิพพานมีอยู่ด้วยความไม่รู้นี้ก็ย่อมยินดีไปในความปรุงแต่งทั้งหลายย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดเป็นไปเพื่อความคับแค้นใจและย่อมไม่อาจพ้นไปจากทุกข์ได้ ข้อความจากอันธาการีสูตรพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิปดีในทวีปทั้งสี่นั้นเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์คือได้ไปอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงเท้าเธอแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอับสอนเอบอิ่มเพราะความพร่างพร้อมไปด้วยเครื่องบำเรือกรรมคุณ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 นุ่งห่มผ้าปอนปอนก็สามารถพ้นจากนรกภูมิเดรัจฉานภูมิและเปรตภูมิได้อย่างเด็ดขาดเพราะประกอบด้วยธรรมสี่ประการคือหนึ่งเลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระพุท ธ, ธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสุดไม่มียิ่งไปกว่านี้จึงสอนได้ทั้งมนุษย์และเทวดา 2. เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่า พระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนไม่จำกัดการ 3. เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระสงค์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าสอนก็จะเป็นผู้ไปดีถึงธรรมอันวิเศษคือมรรคผลถึงที่สุดทุกขเป็นพระอรหันตขีนาศได้ 4. เป็นผู้หนักแน่นในศีลไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยข้อความจากโสตาปฏิสังยุตเวรุทวารวัตที่หนึ่งราชาสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพ์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 ได้ชื่อว่าพระเจ้าจากักรพรรดิชาติถัดๆไปก็ยังเสี่ยงต่อการลงนรกอยู่ดีต่างจากผู้เพียรเจริญสติให้ถึงความเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปเที่ยงที่จะไม่ตกต่ําไปสู่กำเนิดนรกอีกหากมองการไกลอย่างนี้ก็ต้องตัดสินว่าเป็นโสดาบันดีกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ ข้อที่ว่าพระโสดาบันมีศีลหนักแน่นไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยนั้นเป็นไปได้จริงเพราะจิตไม่เอาบาปตั้งแต่อยู่ในมุง้งนั่นเป็นธรรมดาของผู้เห็นอยู่ว่ากายใจไม่ใช่ตัวของตนใจย่อมผลับออกใจย่อมทวนกระแสไม่ยินดีไหลาตามอำนาจดึงดูดของกิเลสอันตั้งอยู่ในกายใจไปก่อกรรมชั่ว เมื่อไม่เอาบาปอันเกิดแต่การและเมื่อศีลห้าประการเราจะเอาประตูนรกมาแต่ไหนเล่าการเจริญสติ ich, ที่เริ่มได้ผลหวัดง่ายๆจากที่เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับกายใจนี้คุณจะรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของสุขทุกข์หรือเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของคุณคุณแค่ให้กายใจทำงานตามหน้าที่ ส่วนคุณมีหน้าที่รู้หน้าที่ดูอยู่ตังหากด้วยความไม่ยึดมั่นว่ากายใจคือตัวคุณ